มีสำนวนไทยสำนวนหนึ่งที่ทำมาได้ยินบ่อยๆตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินละก็คือสำนวนที่ว่าจงเอาเยี่ยงกาแต่จะเอาอย่าเอาอย่างกานักเรียนได้ยินสำนวนนี้บ้างหรือเปล่าสมัยเด็กๆนี่ยังมีกาอยู่เยอะในเมืองแม้กระทั่งกรุงเทพ แต่เดี๋ยวนี้ก็หาได้ยากแล่ะสำนวนนี้หมายความว่าอย่างไรไหมความว่าให้ตื่นเช้านะเหมือนกากานี่มันตื่นเช้ามากนะพอเริ่มมีแสงเงินแสงทองหรืออาจจะก่อนนั้นนนัได้ซ้ํามันก็ออกหากินละแต่นิสัยมันไม่ดี อ, อย่างนึ่งคือมันขี้ขโมยเขาถึบอกว่าจะอย่าเอาอย่างกาแต่ให้เอาเยี่ยงกา ก็คือตื่นเช้าเช้านะที่นี่เราตื่นเช้าก่อนกายได้ซ้านะกายังไม่ทันออกหากินเลยแล้วก็ตื่นซะแล้วคือตื่นในขณะที่ยังยังมืดอยู่แสงเงินแสงทองยังไม่สว่างนี่เราก็ตื่นขึ้นมาละเพื่อสวดมนต์ทำความเพียรการตื่น ในขณะที่ยังมืดอยู่นี่มันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเห็นคุณค่าของความสว่างเห็นคุณค่าของแสงสว่างคนที่ตื่นมาตอนสายเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นหรอกว่าแสงสว่างมันมีคุณค่ายอย่างไรพก็เขาไม่เคยเจอความมืด หรือว่าไม่เห็นว่าแสงเงินแสงทองที่มันสวยยังไงพรก็ตื่นไม่ทันแต่ถ้าว่าเราตื่นตั้งแต่ยังมืดอยู่นะพอแสงเงินเริ่มปรากฏแสงทองนะเริ่มส่องสว่างนี่โเราจะเห็นเล้วว่ามันสวยมากเราจะทราบซึ้งของคุณค่าแสงสว่างก็ต่อเมื่อเราได้เคยอยู่ในความมืดเราจะเห็นคุณค่าของ การมีสุขภาพดีก็ต่อเมื่อเราเจ็บเราป่วยแล้วคนที่มีสุขภาพดีเถอที่ไม่เคยรู้จักความเจ็บป่วยนี่เขาไม่ค่อยตระหนักนะว่าการมีสุขภาพดีมันมีเป็นโชคอย่างไรบ้างแล้วพวกเราเนี่ยนักเรียนนี่ถ้าลองเจ็บป่วยนะก็จะตระหนักว่าเออตอนที่เรามีสุขภาพดีนี่มันเป็นโชคอย่างไรบ้าง เมื่อเราตระหนักเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้จักถนอมรักษาสุขภาพและไม่ใช้สุขภาพหรือกำลังวังชาของเราไปให้มันปราบประโยชน์คนแก่เนี่ยนะเขาตอนที่เขายังหนุ่มยังสาวก็ไม่ค่อยได้ตระหนักนะืว่าความหนุ่มความสาวนี่มันมีคุณท่าอย่างไรพอแก่ตัวแล้วถึงค่อยตระหนักว่าโอในช่วง เวลาที่ยังเป็นหมุนเป็นสาวมีกําลังวังชา ม, มีสุขภาพดีนี่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะว่าสามารถจะทําอะไรที่มีประโยชน์ได้หลายอยา่างจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ทําได้เต็มที่แต่ตอนนี้แก่ตัวซะละทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแค่จะเดินก็ไม่ไหวนี่มาเห็นคุณค่าของความเป็นหนุ่มสาวก็ สายไปสันละแต่ว่าพวกเราซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวนี่ถ้าแม้เราไม่มีโอกาสได้แก่ในในขณะนี้ที่จริงก็แก่กตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่ปรากฏตัวชัดแต่ว่าความเจ็บความปวดก็สามารถเตือนเราได้นะว่าอย่าอย่าใช้ กําลังวังชาของเราไปในทางที่เปล่าเปลืองโดยไร้ประโยชน์เจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็ขอให้เห็นความจริงตรงนี้นะว่าไอ้ความมีสุขภาพดีนะการมีกาลังวังชานี่มีคุณค่าเวลาเราหิวเนี่ยนะเราก็ถึงตระหนักว่าอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์แม้แต่ข้าวเปล่าหรือว่า กล้วยสบายนึงก็มีความหมายแหละตอนที่เราอิ่มนะหรือว่าตอนที่เราไม่รู้จักความหิวเลยแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของอาหารเลือกด้วยนะว่าอาหารอย่างนี้ดีอาหารอย่างนี้แม่เอาแต่พอหิวเนี่ยอะไรอะไรก็มีความหมายทั้งนั้นเหมือนกับเวลาเราหิวน้ำนะ น้ำเปล่าซักแก้วนี้ก็มีคุณค่าแนละ้วไอตอนอยู่ที่บ้านหรือว่ามีทุกอย่างพรั่งพร้อมนี่น้ำเปล่านี่เมินนะไม่ไม่ไม่มองเลยเราจะกินแต่น้ำอัดลมเราจะกินแต่น้ำหวานนะแต่พอหิวนะไม่มีน้ำอะไรอยู่ใกล้มือใกล้ตัวเลยเนี่ยเราถึงค่อยเห็นคุณค่าของแม้กระทั่งน้ำเปล่า เวลาเราเจอความยากลําบากนะเราจึงเห็นคุณค่าของความสบายและความสบายนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ ท, ที่บ้านเราด้านแหละแต่เราไม่ก็เห็นคุณค่าแล้วก็บ่นอยากได้โมโนอยากได้นี่บ้านเรามันไม่ดีเลยแต่พอมาอยู่อย่างเนี้ยอยู่ที่วัดอย่างเนี้ยมาเจอความลําบากเราอาจจะเห็นคุณค่าก็าได้เออที่บ้านนี้นะมันสบายกว่าที่เราคิดเยอะ แด้เราจะอาจจะรักบ้านของเรามากขึ้นไม่หาช่องตำหนิช่องบนที่นี่ทุกปีเนี่ยเราจะมีการเดินธรรมยาตรา1นทถึงธันวาปีนี้ก็เช่นกันเป็นการเดินเพื่อเชิญชวนให้ผุกคนได้ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เห็นได้ตระหนักว่าป่ากำลังถูกทำลาย ดินกำลังจะตายลาห้วยลาธารกำลังเป็นพิษก็เดินไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อชักชวนชาวบ้านให้ตระหนักช่วยกันรักษาป่าช่วยกันรักษาดินนะอย่าทิ้งขยะหรือว่าสิ่งปฏิกูลลงไปในลาห้วยหรือแม้กรทังการใช้สารเคมีแล้วก็เดินไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ข้างแรง ทุกปีก็มีคนมาเดินเป็นร้อยนะบางปีถึง5้าห้จนตอนหลังนี่ต้องจำกัดจานวนให้เหลือสัก 2-300 แล้วคนที่มาเดินแทบทุกปีก็คือนักเรียนนักเรียนประถมบ้างนักเรียนมัธยมบ้างไม่ใช่จากบนเขาเท่านั้นนะจากกรุงเทพก็มีเยอะมาทุกปีแล้วก็มาเดินนี่ก็ไม่ใช่สบายนะเดินกลางแดดนอนกลางดิงกิงกลางทราย อาหารชาวบ้านเขามีอะไรทำให้ให้เราแล้วก็กินทั้งนั้นแหละหลายคนนี่โดยเพราะเด็กจากในเมืองพอได้มาสัมผัสกับชีวิตในธรรมญาตราแปดวันนี่เขาจะรู้สึกลักบ้านของเขามากขึ้นเพราะว่ามันสบายกว่าที่เขานึกตอนอยู่ที่บ้านนี่กา บ, บนอาหารไม่อร่อย ที่นอนไม่นุ่มนะบ้านไม่ติดแอร์มีแต่พัดลมหรือว่าติดแอร์แต่เสียงดังเนี่ยมีข้อตำหนิเป็นคนกินยากนะแต่ว่าพอมาธรรมติตาแล้วเนี่ยกลับไปนีนะ่อยู่ง่ายมากขึ้นพ่อแม่นี่ชมเลยว่าลูกเรานะอยู่ง่ายกว่าเดิมแม่ทำอะไรให้ก็กินหมดนะไม่บ่นเลย เพราะอะไรเพราะเขาเริ่มมาเห็นคุณค่าของความสุขสบายที่บ้านหลังจากที่ได้เข้ามาลําบากไอ้ความลําบากนี่มาทำอะไรคุณค่าขความสบายนะแล้วทำให้เรารู้จักพึงพอใจในสิ่งที่มีนะเพราแต่ก่อนไม่เคย ร, รู้ว่าสิ่งที่เรามีมันมีคุณค่าอย่างไรบ้างหลายคนไม่ชอบนะโทรศัพท์มือถือของตัวเพราะว่ามันไม่ใช่สมาร์ทโฟน หรือว่าถึงเป็นสมาร์ทโฟนแต่ไม่ใช่ iPhone หรือถึงเป็น iPhone แต่เป็น iPhone รุ่นสรุ่น4นะไม่ใช่ iPhone 5 iPhone 5s เหมือนกับตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความพึงพอใจในโทรศัพท์ที่ตัวเองมีแต่วันใดที่มันหายไปนะวันนั้นแหละที่เราจะเห็นคุณค่าของมันขึ้นมาแต่ก่อนดูถูกมันนะ เพราะว่ามันไม่โกเก๋ไม่ทันสมัยเท่าของเพื่อนของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่หายไปเราจะเห็นคุณค่าของมันมากแต่ว่าก็อาจจะสายไปซะแล้วก็ได้เพราะว่ามันอาจจะหายไปเลยแต่ถ้าได้คืนเมื่อไหร่นี้ก็จะดีใจนะจะทะนุถนอมมันมากขึ้นมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ น, นักสุดินนะนักสลดินไปเยี่ยมเพื่อน เพื่อนนี่เพิ่งกลับจากการไปรับจ้างมาได้เงินมาแค่ยี่สิบบาทเพื่อนก็บ่นว่ามันได้น้อยนะในยี่สิบาทฉันอยากจะคว้างทิ้งนะอุซ่าเหนื่อยแทบตายได้มาแค่ยนะี่สิบนสรุน ก, ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอเพื่อนเข้าห้องน้ำนี่เขาก็เอาเงินยี่สิบาทที่เพื่อนวางเอาไว้บนโต๊ะเนี่ยเอาไปซ่อนเพื่อนออกจากห้องน้ำมาไม่เห็นเงินยี่สบาท หาอย่าเลยนะหายี่สิบาทหายไปไหนว่าเมื่อกี้เพิ่งเมื่อกี้ยังวางไว้อยู่ตรงนี้เลยหรือว่าไปวางไว้ที่ไหนแนละ้วหาเป็นชั่วโมงหาไม่เจอนะเสียใจมากเลยนะว่าเงินมันหายไปพอเพื่อนเผื่อนักสลดิงก็เอาเงินยี่สิบาทมาวางไว้นตรงมุมที่อับอัดหน่อยแล้วก็เชียร์เห็นให้เพื่อนด้นยว่างอะไยี่สบาทพอเพื่อนเห็นยีสบาทนี่เพื่อนดีใจเลยนะโอ้ าหาแทบตายเลยดีใจที่เงินยี่สิบบาทกลับมาไอก้กนะ่อนหน้านี้ไม่เห็นคุณค่าเลยอยากจะคว้างทิ้งนะแต่พอมันหายไปถึงก็เห็นคุณค่าอาคนเราก็เป็นอย่างนี้นะไม่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าสิ่งใดจนกว่าของนั้นมันจะหายไปเรามีเพื่อนเยอะเราก็ไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนแล้วก็ดูถูกเขานะ เอาเปรียบเขานะไม่ค่อยให้ความเคารพเขาไม่ค่อยได้ดูแลน้ําใจเขาพอเขทิ้งเราไปนะถึงค่อยมาเสียดายโอ้ตอนที่เขาอยู่นี่มันเห็นคุณค่าตอนที่เขาอยู่นะอย่างที่เราสวนเมื่อกี้นี่ยนะว่ากระะารยานะเมตต์นี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อันนี้พระเจ้าก็ชี้เห็นว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่ดีนี่สําคัญมากสามารถที่จะส่งเสริมนําพาเราให้ มีความเจริญงอกงามในชีวิตได้แต่คนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของกัญยาณ้ำมิตรนะเพราะว่าอยู่กับเราตลอดเวลาพอแล้วก็ตามที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่เห็นคุณค่าหรอกต่เมื่อสูญเสียมันไปถึงจะเห็นคุณค่าตาเราก็เหมือนกันนะมีกี่คนที่จะเห็นคุณค่าของตาตาก็ดีหูก็ดีแต่ไม่มีความสุขเพราะว่าอยากได้ ไอแพอยากได้รถอยากได้นโน่นอยากได้นี่แต่พอป่วยขึ้นมาตาเสียต้องปิดตานะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะใช้ตาไม่ได้ถึงตอนนั้นถึงให้เห็นคุณค่าโองการที่เรามีตาปกตินี่มันเป็นโชคแล้วไม่สวยก็ได้นะเป็นสิวก็ไม่เป็นไรขอให้ตากลับมาก็แล้วกัน ไอตอนที่ตาใช้ได้นี่ไม่ค่อยเห็นคุณค่านะบ่นว่าเรามีเสีวเราไม่สวยเราอ้วนไปบ่นสารพัดนะเพราะไม่เห็นคุณค่าว่าไอการที่เรามีตาปกติเดินเถิดไปไหนมาไหนได้นะไม่หูหนวกไม่เป็นบ้านี่แหละเป็นโชคและคนเราบางทีต้องอาศัยความเจ็บความป่วยความสูญเสียนะัเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีไอความมืดก็เหมือนกันอย่างที่กลับมัน เรื่องความมืดเนี่ยนะเมื่อเราได้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมืดเราจะเห็นคุณค่าของแสงสว่างแล้วเราจะพบว่าเมื่อแสงเงินแสงทองปรากฏนี่มันจะสวยงามมากและมันจะเตือนใจเราได้หลายอย่างมีผู้หญิงคนหนึง่งแกเป็นดีเจนะก็หน้าตาก็สวยแต่ว่าเกิดปัญหาในชีวิตขึ้นมามีปัญหาเรื่องการงาน แล้วแานแฟนยังทิ้งอีกปัญหาต่างๆรุมเร่าทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการงานแต่พอแฟนทิ้งนี่มันหนักหนักเกินกว่าที่เขาจะทําใจได้วันหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งเขาก็เอาแต่นะเอาแต่คุณคิดกับเรื่องนี้แหละนะกินเหล้าด้วยนะกินเหล้ากุ้มอกกุ้มใจมากนะ ทำงี้มาตั้งแต่โน่นเที่ยงคืนจนตีสามตีสี่หาทางออกไม่เจอนะก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายยังไงโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมนะก็หยุดอ่อก็พักอยู่บนคอนโดมิเนียมตึกสูงที่กรุงเทพตอนนั้นก็ใกล้จะสว่างแล้ว เาก็ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายโดยการโดดลงมาจากระเบียงเขาก็เปิดประตูนะเดินไปที่ระเบียงแล้วก็เตรียมจะโดดลงมาแล้วแต่แว บ, บนี้เขาเห็นแสงเงินแสงทองมันโผลท่ที่อ่าขอบฟ้าเขาก็ได้คิดขึ้นมาทันทีเลยเขาเปลี่ยนใจทันทีเลยที่เห็นแสงเงินแสงทองเพราะอะไรเพราะว่าแสงเงินแสงทองมันเตือนให้เขาตระหนักว่าชีวิตคนเราเนี่ย มันไม่ได้มืดไปตลอดนะแสงสว่างย่อมปรากฏไม่วันใดก็วันหนึ่งขอเขาเห็นแสงแส ง, แสงทองแล้วก็เกิดมีความหวังกับชีวิตขึ้นมาใหม่ได้คิดว่าชีวิตมันคงไม่ได้เลวร้วายไปไปตลอดหรอกทขาก็เลยเปลี่ยนใจเลยนะไม่ฆ่าตัวตายแล้วทุกวันนี้ผ่านไปสิปีแล้วก็กมีกลับมามีความสุขกับชีวิตไปการงานก็จเจริญก้าวหน้า แล้วก็ก็ดีใจที่เขาไม่ตัดสินใจช่วยแล่นในวันนั้นเรียกว่าแสงเงินแสงทองช่วยชีวิตเขาไว้มีคนหลายคนนาะที่เปลี่ยนใจไม่คาดตัวตายนี่เพราะเห็นแสงเงินแสงทองในยามเช้ามีศิลปินคนหนึ่งนะกลุ้ใจตอนวิกฤตเศรษฐกิจนะเขาก็ไม่รู้ทำไงแล้วเป็นหนี้เป็นสินมากบ้านก็ถูกยึดที่ดินก็ต้องขายไม่เหลืออะไรเลย ก็จะโดดตึกมาเหมือนกันนะไอตอนที่จะโดดตึกนี่เพลินลงมองมาที่ข้างล่างเห็นวิดมอเตอร์ไซค์สองคนกําลังนั่งกําลังยืนคุยกันตรงที่เขาจะโดดลงมาพอดีเลยนะเขาดึกทังคํำสอนของแม่วันเนี่ยจะทําแล้วก็ตามอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเขาเลยคิดว่าเออถ้าเราโดดลงไปตรงนั้นเนี่ยก็คงไปทับสองคนนั้นอาจจะถึงกับตายได้ ก็เลยเปลี่ยนจุดนะเปลี่ยนจุดกระโดดนะนี่คิดเพราะว่าคำแม่สอนเอาไว้ก็เลยเปลี่ยนจุดกระโดดในใจจะฆ่าตัวตายทั้งทีอยากให้คนอื่นเดือดร้อนเลยพอเปลี่ยนจุดนะปรากฏว่าตาเหลือบมองไปเห็นแสงเงินแสงทองมันสว่างขึ้นมาในใจเลยนะไอความมืดที่เคยปกคลุมใจนี่มันสว่างเลยเกิดความหวังขึ้นมาก็เลยไม่ฆ่าตัวตายนะนะเขขอบคุณคำสอนของแม่นะว่าเนี่ย แม่สอนไว้แค่สั้นๆว่าทำอะไรอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนมันช่วยชีวิตเขาไว้ได้แต่ที่จริงต้องขอบคุณแสงเงินแสงทองด้วยคนเราไม่ค่ยเห็นคุณค่านะว่าแสงเงินแสงทองมันมีนมความหมายยังไงเนี่ยจนกว่าจะได้อยู่กับความมืดนะฉันได้ก็ฉันนั้นนะคนเราไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเลยนะจนกว่าจะเจอความทุกข์ เวลาเรามีชีวิตที่สุดกสบายมีความสุขมีความสาเร็จเราไม่ควเรเห็นคุณค่าของธรรมะหรอกอาจจะเย็ดเดย็ดด้วยซ้ำว่าธรรมะมันไม่มีความหมายเป็นเรื่องคนที่หนีโลกเป็นเรื่องคนอ่อนแอเป็นเรื่องคนไม่สู้ชีวิตแต่พอเจอความทุกข์เองนะข้ากับตัวเช่นเจ็บป่วยเพราะเป็นมะเร็งนะหรือว่าอกหักแฟนทิ้ง หรือว่าธุรกิจล้มละลายตอนนี้แหละที่ถึงจะค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เนี่ยนะเขาก็เคยประสบความสาเร็จในการทำธุรกิจนะหรือว่ามีชีวิตที่สุขสบายจเจริญก้าวหน้านะแต่พอช่วยมาพลิกผันเนี่ยเขารู้เลย ว, ว่าไอ้สิ่งที่เขามีไม่ว่าจะเป็นปริญญาความรู้ทางโลก เงินทองหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศนะมันช่วยแล้วเขาไม่ได้เลยถึงตอนนั้นแหละถึงค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะนะแล้วก็เลยเข้าไปหานะธรรมะเป็นที่พึ่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อที่เยียวยาจิตใจนะหรือว่าเพื่อให้เพื่อสร้างความหวิสให้แก่ชีวิต อย่างบางคลเจ็บป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งก็จะรู้เลยว่าไอความหวังที่จะมีกับการแพทย์กับเทคโนโลยีเนี่ยหรือแม้กระทั่งเงินทองเนี่ยมันแทบจะศูนย์เปล่าไปเลยพึ่งไม่ได้เทคโนโลยีเพราะว่ามันไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะรักษามะเร็งได้อย่างมั่นอกมั่นใจพอใกล้ตายแล้ว คิดถึงธรรมะขึ้นมาว่าธรรมะนี่จะสามารถช่วยเยียวยาจิตใจให้ให้หายทุกข์ได้พอได้ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมโอ้ถึงค่อยเห็นเลยว่าเออไอการที่เป็นมะเร็งก็นับว่าเป็นของดีเหมือนกันนะโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะทำให้ได้มาพบธรรมะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงไม่ได้พบธรรมะมีนักศึกษาคนหนึ่งอายุยี่สบเอ็ดนะเป็นลิลคเมีย มะเร็งเม็ดเลือดเขาก็ทุกข์อยู่พักใหญ่นะแต่ตอนหลังเขาก็ตั้งสติได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมะเร็งนี่มันก็นำสิ่งดีๆให้กับเชี่ อ, องเขาหลายอย่างนะเช่นทำให้เขาได้รู้จักพุทธศาสนาแต่ก่อนไม่เห็นคุณภาพพุทธศาสนาเลยว่ามันมีแต่พิธีกรรมแต่พอป่วยแล้ว ไม่มีอะไรทำนอนอยู่โรงพยาบาลมีคนนำหนังสือธรรมะมาให้ก็อ่านอ่านแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาดีขึ้นข้อที่2ก็สำคัญนะทำให้เขาได้เห็นความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ตอนไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไม่ค่อยทราบซึ้งความรักของพ่อแม่นะเห็นพ่อแม่เป็นแค่ตู้เอทเคลื่อนที่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทราบซึ้งความรักของท่านเพราะว่าไม่ค่อยได้ใกล้ชิดพ่อแม่ไปทางา น, านลูกก็ไปเรียน ยิงอยู่หอพักดูแลนี่ยิ่งเหินห่างแต่พอป่วยแล้วนี่พ่อแม่ก็มาดูแลใจใส่ก็เห็นความรักได้ทราบซึ่นของมรักพ่อแม่ข้อที่สามนี่มันทําให้เขาบอกว่าทําให้เขามีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นแต่ก่อนเอาแต่เที่ยวพอป่วยแล้วก็ได้อ่านหนังสือแล้วทําให้รู้จักคิดมากขึ้นเขอบอกถ้าเขาไม่เป็นมะเร็งนี่เขาก็คงเหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปนอนหอพักเข้านอนตีสามตื่นเที่ยง เดียนหนังสือนิดหน่อยแล้วก็ไปเฮฮากับเพื่อนรอว่าจะได้ไปสนุกสนานกับเพื่อนใช้ชีวิตอย่างไม่มีความหมายเลยเปื่อยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของใครเลยแต่พอป่วยเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเออกับชีวิตกับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นน้คนหลายคนนะต้องต้องเจอมะเร็งนะหรือต้องเจอความทุกข์หนักๆเนี่ยถึงค่อยมาสนใจธรรมะแต่บางทีอาจจะสายไป สักหน่อยแล้วก็ได้เพราะว่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปจะเป็นประโยชน์พวกเรานี้ยังยังยังมีสุขภาพดียังไม่เจ็บให้ป่วยนะอย่าต้องรอให้เจ็บป่วยสียก่อนนะั่ถึงค่อยมาเห็นคุณ่ขอธรรมะ เ, เข้าหาธรรมะเสียแต่ตอนนี้นะอย่าไปคิดว่าอเอาไวท้ทีหลังก็แล้วกันนะขอให้ฉันร่ํารวยก่อนขอให้ฉันประสบความสําเร็จก่อนนะหรือว่าขอให้ฉันแก่ก่อน ขอให้ฉันป่วยก่อนค่อยมาสนใจธรรมะไอสิ่งความสําเร็จเหล่านี้ที่เราหวังเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะเป็นที่พึ่งของเราได้มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะท่านก็เป็นคนสําคัญพึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองสวันก่อนท่านโกวรนการ์ะท่านโกวรนการนี้ได้ช่วยเป็นวิปัสสนาจารย์ที่ มีชื่อเสียงระดับโลกทำใหพุทธศาสนาแพร่หลายไปเลยเพราะวิปัสสนาเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วอายุ89จริงๆเนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจนะเป็นนักธุรกิจสัญชาติอินเดียแต่ว่าเกิดที่พมา่าและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วมากเลยอายุ30นี่ เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมากแล้วก็มีกิจการหลายอย่างแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นพุทนาของนักธุรกิจในพ่อชาวฮินดูชาวอินเดียเป็นประธานหอการค้าตั้งแต่อายุ30สิบต้นๆเป็นเป็นประธานในหลายที่เลยจะทั้งกบผู้ไว้ประโยชน์นึงนะว่าบอกว่าถึงแม้ผมจะร่ำรวยมีเงินมีชื่อเสียงแต่ว่า ไม่เคยได้สัมผัสกับความสงบใจเลยและความสงบใจกับความสุขนี่มันก็เกี่ยวข้องกันมากนะแต่ผมก็ไม่มีทั้งสองอย่างไม่มีทั้งความสุขและความสงบตอนนั้นที่มีเงินนะแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นผูน้นำชุมชนแต่ว่ามีเหตุให้ต้องเข้าหาธรรมะเพราะละพราะป่วยเป็นไมเกรน นั่เป็นไมเกรนนี่เป็นมาเป็นมานานแล้วแล้วก็รุนแรงด้วยมีเงินมากมายนะแต่ว่าเงินก็ไม่ช่วยเลยเพราะว่าหมอรักษาไม่ได้ไปอเมริกาไปยุโรปไมเกรนก็ไม่หายแถมติดมอร์ฟีนก็เป็นอีกนะเพราะว่าสมัยก่อนเขรักษาไมเกรนด้วยมอร์ฟีนซึ่งแค่ประทังความปวดชั่วคราวติดมอร์ฟีนมาก็ต้อง ต้องบาบัดให้หายจากมอร์ฟีนจากการเสพติดซะก่อนแต่ไมเกรนก็ยังอยู่สุดท้ายก็มีคนแนะนำว่าให้มาทำสมาธิสิจกเป็นฮินดูนะแต่ว่าไม่ได้มีศรัทธานในพุทธศาสนาแต่พอมีคนแนะนำแบบนี้เนะี่ยก็ลองก็คิดว่าน่าจะลองดูเพราะว่าไม่มีทางออกแล้วรันะกษาไงก็ไม่หายมานั่งสมาธิวิปัสสนาดีกว่าก็เลยไปฝึกกับ อาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่ออุบาคินเป็นคารวะอาจารย์คารวะในพมา่าเมื่อสักหกสิเจดสิบปีก่อนมีเยอะมากของไทยเพิ่งมาเป็นเพิ่งมามีมากๆกในช่วงระยะหลังพอฝึกสมาธิไปได้สักห้าหกวันก็รู้สึกดีขึ้นนะฝึกทำสมาธิครบสิบวันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นนิดหน่อยทําให้มีกำลังใจก็เลย ทำสมาธิวิปัสสนาบ่อยอขึ้นบ่อยอขึ้นจนกระทั่งไมเกรนหายแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านะั้นคือได้เห็นคุณทางธรรมะว่าโอ้ธรรมะนี่ประเสริฐเหลือเกินไมเกรนหายนี่จิตจอยมากนะแต่ว่าในการพ้นทุกต่างหาที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐกว่าก็เลยสนใจสมาธิภาวนากลายเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิปัสสนาตอนน่อหลังก็กลายเป็นอาจารย์วิปัสสนาเองเลย สุดท้ายธุรกิจไม่ทำแล้วเลิกนะมาสอนวิปัสสนาผู้คนดีกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างคนที่เข้าหาธรรมเพราะความทุกข์เป็นทุกข์แบบง่ายๆคือทุกข์ทางกายแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะก็ทุกข์ใจนะปกหักแฟนทิ้งหรือว่าสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่พวกเราอย่า อย่ารอให้ถึงตอนนั้นถึงค่อยมาสนใจธรรมะเพราะตอนนั้นเนี่ยอาจจะมองเห็นธรรมะเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะคิดสั้นเก่นคนหลายคนนี่พอมีความทุกข์ไม่มีทางออกและเนื่องจากไม่เจอธรรมะก็เลยคิดสั้นฆ่าตัวตายอย่าไปรอให้เจอทุกข์ก่อนถึงค่อยมาสนใจธรรมะเพราะว่าอาจจะสายไปแล้วนะครับที่เรายัางมีสุขภาพดีอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ย มาข้าวัปฏิบัติธรรมก็นี่ก็ดีแล้วนะมันจะช่วยเสริมในสิ่งที่เรามุ่งหวังในชีวิตนก็คือความเจริญก้าวหน้าแต่ในเส้นทางนี้มันก็มีอุปรสรรคนะมันก็จะมีปัญหานะจะมีความล้มเหลวจะมีความพลั้งพลาดก็เราอย่าได้ท้อเพราะให้รู้จักว่ารู้จักมองว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์มันสามารถจะสอนอะไรต่ออะไรให้กับเราได้มากมาย คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยทุกคนล้วนแต่เคยเจอความล้มเหลวแต่เขาไม่หมวแต่ล้มเหลวนะเขาไม่หมดแต่บ่นตีโปยตีพายเขากลับมาพิจารณาว่าเขาพลาดที่ตรงไหนแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขก็ทําให้ปรับปรุงตัวจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างเมื่อวานที้พูดถึงน้องเมย์ น, ยนะแกกบผูดไว้ตอนหนึ่งนะว่า เวลาแกแพ้เวลาแกแพ้นี่นะแกไม่โม่แต่บ่นตีโพยตีพายนะี่แกจะกลับมาซ้อมใหม่กลับมาซ้อมให้หนักขึ้นแล้วก็ปรับแผนหลายคนนี่พอแพ้แล้วเสียใจโทษคนนั่นโทษคนนี้โทษโค้รโท ษ, โท ษ, โทษสนามนะแกไม่ไม่ทำอย่างนั้นแกกลับมาซ้อมใหม่ยิ่งแพ้ยิ่งต้องกลับมาซ้อมให้หนักขึ้นอันนี้เป็นวิธีโหดฉลาดวิธีของผู้ที่จะประสบแต่ความสําเร็จ คือ เ, เมื่อล้มลแล้วแล้วนี่ไม่หมดแต่บนตีโพตีคอโอตโวยวายจะกลับมาใครควรว่าเราผิดพลาดตีตรงไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเราขยันไม่เราขยันน้อยไปนะเราประมาทเกินไปนะกลับมาเรากลับมานี่กลับมาจัดการทิตใจตัวเองด้วยนะไอแพ้คนอื่นจะไม่ มันยังไม่แย่เท่ากับแพ้ตัวเองอย่างที่พูดมเมื่อวานน้องแมวบอกว่าเนี่ยแพ้ถ้าทําเต็มที่แล้วแพ้นี่ยังไม่น่าเสียใจเท่ากับแพ้เพราะกลัวคู่ต่อสู้จนเล่นไม่ออกเองนี้แสดงว่าไม่ได้แพ้คนอื่นนะแต่แพ้ตัวเองถ้าจะชนะตัวเองก็ต้องฝึกนะฝึกที่ใจให้มั่นคงให้สงบไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามก็สามารถจะนิ่งได้สามารถที่จะใช้สติรับมือกับทุกอย่างได้ อาแล้วก็ชานี้ก็ป็นธาตุนี้